เมื่อในเบ้นท์ที่เราได้ใช้ชีว a ตด้วยกันจะจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่านยิ้มและหัวเราะด้วยกันจะล้อกันบางครั้งแต่มันก็ดี e ้ามันไม่จะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำเงินเขาเราจะยังรักกันหรือเปล a าถ้าไม่ปล่อยเมือ่อกันจะกับฉ e นวันนี้จะเป็นอย่างไร รักแรกนั้นลืมยากฉันคงลืมยากแม้จะนานเท่าไรไม่มีวันที่จากใจไปเ้าสบายได้ไหมผ่านคำถามที่ยังคงวนอยู่ซสส้ำๆถ้ารู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้น ชีวิตท้บ้างไงคิดถึงกันมาไหมแต่ฉันก็คิดถึงเธออยู่สมสอหวันแค่เพียงจะ อ, อยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว่าฉันอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนตอนเรารักกันรู้ไหมว่าฉันคิดอยู่เสมอจะมีโกาส เธอไหมจะกอดเธอไว้ไม่ปล่อยเธอให้ไปอีกเ ล, ลยเธอใครว่าลืมยากฉันก็ลืมยากแม้จะนานเท่าไรไม่มีวันที่จะทาปปลายเธอสบาดีไหม คงอดอยู่ซ้ำซ้ เธอสบายดีไหมบางงงทางที่ยังคงวนอยู่ซสมสม้ำซ้อนยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มฉันชีวิตเธอเป็นไงเคยเถีงกันบ้างไหมสงสัยก็คิดถึงเธออยู่สซ